เพราะนั้น ร, ร, รู้ตัวเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นมันเป็นจิตอีกการหนึ่งละที่จะไปดูจงใจไปดูกายไหมจงใจปะ่ะบางครั้งก็ไม่ได้จงใจครับแต่บางครั้งก็เหมือนจงใจล้วก็มีสติตามรู้ต่อไปว่าจิตไปดูกายอะไรเงี้ยหรือจิตไปจงใจดูกายดีแล้วตามรู้อย่างนั้นแหละเราสวดมนต์แล้วเราก็เห็นจิตไหลแวบแวบแวบดี ถ้องพุโทโธแล้วจิตไหลแวบๆก็ดีนะหายใจแล้วจิตไหลไปเราไปรู้บางครั้ง น, น, น, นั่งพุโทโธแล้วพอจิตไหลพอสักพักหนึ่งพอรู้บางครั้งมันก็จะไปดูเหมือนดูท้องเหมือนกันอถอยไปท้องเราก็รู้ทันว่าจิตมันไปดูท้อง ร, นะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรเราเห็นจิตมันทํางานทั้งวันทั้งคืนครับถึงจุดหนึ่งนะจิตจะตื่นเลยภาวนาได้ดีนะเดี๋ยวนี้เด็กๆภาวนาเก่งเยอะเลย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 พอหนาก็มีความสุขอบอกแล้วทําเป็นแล้วมีความสุขถ้าทุกขนะ์น่ะทาไม่เป็นนะ่ะถึงจะทุกข์แล้วไงจิตใจสงบมากขึ้นไหมก็มันดิ้นรนหรือมันไปหาเรื่องมาใส่ตัวเองน้อยลงเยอ ะ, อะดีเริ่มสงบสบายดีแล้วส่งต่อไปเบอร์เจ็ดสิบแปด่งไมโครโฟนไปใจลอยไปแล้วอยากมามอขอมอบวหัวใจไปให้เ็าด้วย อยากมาขอกันบ้านหลวงพ่อครับเหรอเคยเรียนอะไรมาหรือเคยฝึกดูเวทนาแล้วก็ฟังจากหลวงพ่ อ, อจากซีดีอ่านจากเว็บฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองใจเราไหลแวบก็จะรู้สึกขึ้นมาพอใจเราไหลเราก็รู้สึกไหลแล้วไปเราก็รู้สึกนะแต่ก็ภาวนาได้ทั้งวันนะพาใจเราไหลทั้งวันนะใจเราไม่เคยอยู่นิ่ง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 เกิดม่ก่อนรู้สึกอย่างนี้โทษเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันต้องสยบแนตะ่ศาสนาพุทธนะเพราะมันมีวิทยาศาสตร์นะี่มันหาความสุขไม่ได้งั้นศาสนาพุทธแทๆ้ๆถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปซุกอยู่ใต้ปีกใครเลยพุทธก็คือพุทธแหละนะไม่ต้องมาถามในศาสนาพุทธเป็นปรัชญาไหมรู้สิเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้พยายามซุกเข้าปีกปรัชญาอีกแล้วนะไม่จําเป็นท่านอาจารย์ประยุทธ์นะเรียคุณประยุทธ์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 หรืทุกวันนี้พอาศาสนาเราเราไม่ได้ศึกษาให้ดีนะเรารู้สึกศาสาศนาเราง่อนเง่นนะาศาสนาห่างไกลจากผู้คนแนะคนทิ้งาศ า, าสนาพระสงฆ์องค์เจ้าต้องไปทํางานสังคมสงเคราะห์เยอะแยะเลยเพื่ออะไรเพื่อจะขอพื้นที่เล็กๆขอชันยืนอยู่ด้วยคนในสังคมนี้จริงๆถ้าเข้าใจาศาสนาพุทธไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นต้องไปทําอย่างนั้นเลยเพราะศาสาศนาพุทธนั้นมีคุณค่าอยู่ในตัวเองแล้ว คนที่ศึกษาเข้าใจก็ยัง ม, มีความสุขมีความสงบในจิตใจสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโลกนะได้อย่างรู้ทันโลกมีความสุขนะไม่ใช่ภาวนาแล้วก็ต้องหนีโลกนะอยู่กับใครเขาไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ในถ้าคนเดียวไม่ใช่นั่นะมันลือสีศานะ ส, สนาพุทธภาวนาไปสีอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าอยู่ตรงไหนก็ภาวนาได้ขอให้มีสติไว้เถอะ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 ท, ท่านบอกพระพุทธเจ้าท่านจะไปข้างขวาเพราะนั้นบอกผมอยากไปข้างซ้ายถ้านะบอกพระพุทธเจ้าบอกไปเถอะไปด้วยกันแม่เอาผมจะไปภาวนาที่นี่ผมอยากภาวนาแล้วไม่อยากตามท่านไปนะนี้พอพระพุทธเจ้าชวนครั้งที่3ามนะพระนั้นเอาบาทเอาจีวรของพระพุทธเจ้าเนะี่ยวางลงบนพื้นเลยผมบายบายแล้วไปก่อนจะรีบไปภาวนา <laughs> พระเจ้าก็แบกบาทแบกจีวรไปเอง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 พรนนท์ท่านไม่อาสาพระก็ถามทําไมไม่อาสาท่านบอกถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านเหมาะสมก็ใช้สิท่านก็เต็มใจอยู่แล้วเนีไปอีกแบบ <c oughs> นี่ก่อนจะรับเป็นอุปถากนะต้องตั้งเงื่อนไขหลายข้อเงื่อนไขดีๆทั้งนั้นนะคนไหนอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ต้องไปศึกษาพาหนนสาธาณนนไม่ไปไหนด้วยนะ ท่านผก้เจ้าได้อาหารดีๆมาผมไม่ฉันต่อนะอะไรเงี้ยได้ผ้าจีวรดีๆมาผมไม่เอานะหลายเรื่องหรือถ้าไปเทศอะไรมามาบอกผมด้วยนะให้ผมเป็นคนจัดคิวนะใครจะพบได้ไม่ได้เนี่ยท่านขอเพราะฉนั้นจริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยเป็นของคนส่วนน้อยไม่ใช่ว่าคนเยอะแยะอะไรหรอก <c oughs> เพราะอะไรพระศาสนาพุทธเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆ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 เดีไม่ใช่มานั่งเกาะกูบาจานทั้งวัดหลวงพ่อไม่ยอมรู้สึกไหมถึงเวลาแล้วประโยคเด็ดคือไปกลับบ้านไป <c oughs> <c oughs> อ้าวเชิญโยมกลับบ้านอ้าวเชิญครั้งที่หนึ่งยังไม่ไปก็ครั้งที่สองครั้งที่สามสามครั้งไม่ไปหลวงพ่อไปเองนะ <c oughs> ไม่ให้มานั่งแช่นะเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะ <c oughs> เป็นศาสนาที่ต้องช่วยตัวเองตลอดเวลา <c oughs> เวลานี้มีค่าที่สุดอย่าให้หายไปนะห <c oughs> ลวงพ่อนะตั้งแต่เจ็ดขวบชอบภาวนา เรียนจากท่านพ่อหลีวัดอโศการามมหัดรำสมถะทําทุกวันนะไม่เลิกเลยทําทุกวั น, นเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนหายใจเขมเหลาเมวไว้นะทำไมหายใจขแมเหลาบางทีหายใจไม่ค่อยจะออกเป็นหวัดทําทุกวั น, นไม่เลิกมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตอายุ29แล้วถึงเจอหลวงปู่ดูลทําสมถะย2่ปีขึ้นมีปัสฉนาไม่เป็น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 เวลาจะตายนิมิตไม่ดีเกิดปุ๊บสติรู้ทันเลยเอาตัวรอดละฝึกไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็ไม่ใช่แค่ฝึกเพื่อจะเตรียมตายอย่างเดียวฝึกเพื่อจะอยู่อย่างมีคุณภาพด้วย <c oughs> บางครูบาอาจารย์ท่านก็สอนบอกว่าฝึกไว้หน้าไว้ใช้ประโยชน์หน้าที่สุดท้ายอะไรเงี้ยจริงก็ท่านก็พูดถูกแต่ศาสนาพุทธตัวจริงแล้ว <c oughs> มีประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันไม่ใช่ต้องรอให้ตายก่อน มีสติในปัจจุบันความทุกข์กระเด็นหายไปในปัจจุบันทำไมมันจะไม่ดีละ่ะง mm hmm. นั้นคนที่มาฝึกกับหลวงพ่อนะ mm hmm. พวกที่มาใหม่ๆอดทนนะฟังไปเรื่อยๆ mm hmm. ต่อไปจะรู้สึกว่าหน้าตาเรานี้ผ่องใสจังเลย mm hmm. อ่อนกว่าวัยนี mm ่ hmm. อ่อนกว่าวัยตีนกาขึ้นน้อยลง mm hmm. ขึ้นช้าลง mm hmm. หน้าตาสดใสไปที่ไหนนะมีแต่คนรักนะ mm hmm. เพราะอะไรจิตใจเราอ่อนโยนจิตใจของเรานุ่มนวล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 แค่มีสติขึ้นมานะมีความสุขขั้นมาขั้นแวบหนึ่งเดี๋ยวเผลอไปก็ทุกข์อีกมีความสุขมาขั้นอีกแวบหนึ่งรู้สึกไปง่ายว่าไงเอาไปไหนละเขาไปถึงโน้นแล้วไม่ใช่กไปทำไมไปโน้นคําถามนิดนึงค่ะก็ะคือว่าองค์มีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่ า, าคือว่าเวลาที่เราโดนคนอื่นว่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เขา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 องค์ไปเมามาจากที่อื่นอ่ะที่นี่ไม่เห็นมีขี้เมาเลย <c oughs> <c oughs> เออ น, นะองค์ภาวนาดีละดูไปได้เนี่ยคนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้าที่ว่านอนหลับก็รู้สึ ก, กคล้ายๆพลิขวาก็รู้สึกนะจิตมันคิดจิตมันฝันก็รู้สึกรู้สึกเรื่อๆดีแล้วองค์อ่ะต่อไปอุทัยครับหลวงพ่อช่วงนี้ก็หลงหลงอยาก อยากรู้ตัวทุกวินาทีคะ ล, ลงไปแต่มันก็คือเพ่งพอปวดหัวก็รู้แล้วว่าผิดถ้าใจเราเครียดเครีย ด, ยดแข็งแขงทำผิดนะถ้าใจโปร่งร่วงเบาสบายคล่องแคล่วว่องไวอย่จะถูกแล้วทุกวันนี้ก็พยายามทำในรูปแบบก่อนนอนประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีดีีล้ ว, ลว ก, ก, ก็ดีขึ้นเยอะอ ใ, ใจมันจะมีแรงแรตั้งมั่นเราทิ้งรูปแบบไปเลยไม่ไหว แล้วที่ทำอยู่ถูกหรือยังครับถูกแล้ดีละครับเบอร์แปดสิบหกเบอร์แปดสิบหกทำอะไรเมื่อกี้เนี้ยเออเผลออ่ะเบอร์ยี่สิบหกส่งกันบ้านเคยมาไหมเพิ่งเคยมาคุยกับหลวงพ่อครั้งแรกออมีอะไรคุยไหมถ้าไม่มีก็ส่งต่อ <laughs> เออหลวงพ่อชอบมากเลยส่งอย่างเนี้ย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 คือจะถามว่าค like, mm. ือตอนนี้มีความรู้สึกว่าทุกอย่างความรู้สึกทุกอย่างมันอยู่รอบนอกหมดอย่างความเศร้ามันก็อยู่รอบนอกความสุขมันก็อยู่รอบนอกอืมันเหมือนว่าถ้าเราอยากสุขเราก็เอาจิตเราไปหยิบความสุขมาถ้าเราอยากทุกเราก็เอาจิตเราไปหยิบความทุกมาก็งั้นแหละที่หลวงพ่อบอกบ่อยๆนะคนเราหาความทุกขมาใส่ตัวเองคนอื่นทําให้เราทุกไม่ได้ คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราหยิบความทุกข์เข้ามาเองค่อยดูไปนะต่อไปแล้วจิตมันใจค่อยฉลาดขึ้นตอนนี้มันเริ่มแยกสภาวะแล้วะจะเห็นเลยความปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแม่เห็ น, นี้นะี่ถ้าเสรอเมื่อไหล่หลงเมื่อไหร่ก็เข้าไปรวมเป็นเดียวแต่ถ้าพารู้สึกตัวก็แยกนี่มันเหมือนความรู้สึกมันมากอดกเออมันเข้ามากาะมันเกาะก็ให้รู้นะไม่ให้เ<อ>กลียดนะ<อ>ให้รู้มันแยกก็ให้รู้ไม่ต้องดีใจเดี๋ยวก็เกาะ อ, อีก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 เพราเมื่อก่อนตลอดชีวิตนี้ไม่เคยรู้สึกตัวตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวแล้วรู้สึกแปลกๆ แ, แต่พอต่อไปรู้สึกตัวชำนี้ชํานาญตอนที่หลงไปนะจะรู้สึกแปลกๆ <c oughs> ดีที่ภาวนาอยู่ดูต่อไปนะอย่าขี้เกียจ น, นะดูไปเรื่อยๆใช้ได้ที่ฝึกอยู่ที่แปลกๆ ก, ก็เพราะว่าจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จัก <c oughs> เอ้า อ๋อกรรมส ก, กาลหลวงพ่อครับคือในช่วงนี้มันมีปัญหาส่วนตัวหลายอย่างทั้งเรื่องเรียนและเรื่องเพื่อนคือทําให้จิตเลยหดหูจนไม่มีกําลังจะดูครับช่วงนี้พยายามหัดนึกพุทโธที่ชิพประจำวันครับเพียงแต่มันจะชินกับการนึกพุทโธแบบทื่อๆแบบไม่ได้มีสติครับแล้วก็ลองหัดพิจารณากรรมาฐานห้ตามที่หลวงปู่ท่อนแนะนําแต่ก็ที่จะได้แค่แหวบสั้นๆแต่มันก็แล้วมันก็ออกมามันคือจิตมันไม่ชอบคิด น, นะครับช่วงนี้มันไม่มีความรู้สึกตัวดีดๆเหมือนอย่างที่เคยไปอยู่กับคุณแม่อมาลาเลยครับงั้นก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 ยังอยู่เห็นพัฒนาไปหลายรอบจนล้มพังภาพหลายทีแล้วพุทโธเบาๆวางวางอย่าส่งให้แม่ชีใช้วางพุทโธไปเบาๆนะพุทโธไม่เอาพุทโธไปตรึงจิตพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพุทโธเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีแว่ไปรู้ทันอย่างนี้จะไม่แข็ง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 จิตใจเราเดี๋ยวก็หนีไปคิดแวบเดี๋ยวหนีไปคิดแวบดูไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าเขาทำงานได้เองเราบังคับเขาไม่ได้หรอกถึงวันหนึ่งเราจะล้าความเห็นผิดว่าเราบังคับเขาได้เขาเป็นตัวเรา ค, คำว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหมายถึงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเรานะไม่อยู่ในอำนาจก็จิตมันไม่อยู่จริงๆเลยคะ่ะหลงพ่อใช่แต่ต้องดูให้พ อ, อยังดูไม่พอนะค่ะดูเยอะๆเมื่เรากินข้าวอะ กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มเองนะตอนนี้ต้องกินไปเรื่อยๆก่อนดูบ่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มเองอ้าวเ อ, เอ๋อะไรนะไม่จิตเป็นคนรู้นะนี่เราก็รู้ประกอบด้วยความหลงผิดไปเรื่อยๆใช่เนะอออยู่ที่มีปัญญาเข้าใจนะ um. เมื่อกี้เอ็อ น, นั่งดูตอนที่หลวงพ่อเอคุยกับโยมาค่ะหลวงพ่อแล้วมันมีความรู้สึกอในระหว่างที่เผลอแล้วก่อนที่จะมารู้เนี่ยมันมีช่องที่ลงผวัง อ, อยู่มึดๆนะฮะหลวงพ่เะเห็นตลอดแล้วก็เอมีความรู้สึกเหมือนกับทุกอย่างเหมือนคนมาเล่นละครให้เราดูแล้ ว, เ, ลวเราก็ดูมันเหมือนหลอกๆนะฮะหลวงพ่อ อ, อย่างนั้นแหละดูไปเรื่อยแล้วก็จะเห็นเลยขึ้นมารับอารมณ์ดีนะแล้วก็ลงผวังเดี๋ยขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงผวัง เป็นช่วงช่วงขาดขาดออกจากกันถ้าเห็นอย่างนี้อะไรเริ่มรู้แล้วว่าจิตดวงก่อนกับดวงนี้คนละดวงนะสันตติคือความสืบเนื่องมันขาดคนทั้งหลายไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเกิดดับเร็วดูไม่ออกว่ามันคนละดวงกันมองไม่เห็นว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เห็นคิดว่ามีดวงเดียว เราจะรู้สึกเลยในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆก็คนเดิมเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้แต่หากมีสติเราจะเห็นใลยจิตเกิดแล้วก็ดับวับลงไปมีช่องว่างมาขั้นนะแล้วเกิดแล้วก็ดับวับมีช่องว่างมาขั้น <bought. S 1> จิตมันมีหลายดวงนะเริ่มเข้าใจล้เริ่มค่อยเห็นต่อไปก็ถึงขั้นต้องยอมรับยอมรับความจริงตอนนี้พอเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยบางคนใจยังไม่ยอมรับความจริงเกิดเบื่อหน่ายเกิด รู้สึกกลัวเกิดเศร้าเกิดวังเวงนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจไม่ยอมรับความจริงใจยังอยากให้มีตัวเราอยู่พอเริ่มดูไปเริ่มเห็นว่าไม่มีตัวเรานะวังเวงเศร้ากดหูเบื่อหน่ายท้อแทอ้ให้รู้ทันลงไปอีกให้เห็นเลยความเบือ่อความเศร้าความเบือเบ่อหน่ายท้อแท้วังเวงอะไรนี่เป็นของแปลกปลอมมอีกใจก็จะดีดตัวตั้งมั่นขึ้นมาอีกดีแล้วดูไปอา้าคุณยาย ก็ดูความไม่เที่ยงแล้วก็เกิดดับแล้วก็มันมันก็จะพอดูมากๆบางครั้งมันพอฟุ้งแล้วจะหลบไปอยู่ที่สมถะสักพักหนึ่งพอใจเป็นกลางแล้วมันจะไปว่างๆแล้วจะวจะหลบไปอยู่ที่ว่างอีกอ่ะดีที่รู้หลงไปอยู่กับสมถะก็ไม่ดีหลงไปอยู่กับว่างก็ไม่ดี จ, จิตไปทำสมถะก็รู้จิตว่างก็รู้อันนี้ใช้ได้ โอ้โยมทำไมเยอะหลวงพ่อเนะ่ท้อแท้ใจ <c oughs> ไม่มีทางสอนหมดเลยแต่ละวันหลวงพ่อช่วงนี้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉยฮะใจมันนิ่งเกินไปออย่าไปตรึงความรู้สึกไะหาอะไรมากระทบบ้างไม่เคยเห็นความรู้สึกตัวเองช่วงนี้อะไรนะเห็นแต่ฟุ้งฟุ้งหน่อยๆช่วงเช้าจะใจมันใจมันเนื่อยเหนื่อยไปนะคะปลุกใจให้คึกคักไว้ เนี่ยให้มันคึกคักอย่างเงี้ยพอดีว่าเมื่อวานไอ้เมื่อวันก่อนอะค่ะรู้สึกว่าโมโหโมโหมันก็ปี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าโมโหแล้วมันก็หายไปแล้วก็เริ่มคิดจะแก้ปัญหาละแต่พอเมื่อเช้าเนี่ยมันก็หมุดหงิดมันหงุดหงิดอพอรู้มันหงุดหงิดมันก็หายแล้วมันก็มีเรื่องให้มันหงุดหงิดเรื่อยเรืเรืยาก็เลยรู้สึกว่าที่ทำไมมันมันนานจังไม่ชอบแล้ว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 เราต้องช่วยตัวเองให้ได้ไม่มีใครมาสู้แทนเราเนี่ยนะต้องสู้เองอวกไปข้างหลังนิดนึงก็ได้ไหนๆก็ผ่านแล้วมีอะไรไหมเกี่ยวกับน้มันสการหลวงพ่อครับก็ดูไปดูมาบางทีสมัยก่อนก็เป็นก้อนๆแล้วพอดูไปมันก็ล่วงออกไปบางทีมันก็ระเบิดที่ท้ายทอยออกไป อ, อันนี้บางทีมันก็พิกออกมาเห็นแบบทุกอย่างในโลกเป็นทุกข์หมดเลยอื มันเป็นทุกข์ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยแล้วมันมีความคับแค้นใจความทุรนทุรายผมก็ดูเข้าไปอ้อนมีความไม่พอใจอยู่นี่เองมันก็บีบ้างเกิดบ้างทันีีมันเริ่มมองเห็นว่าทุกอย่างที่ทุกข์พะมันเป็นสิ่งที่สมมุติกันทั้งนั้นผมก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆดีและนะเข้าสู้ไปเห็นทุกข์ดีแล้วส่งมาคืนครับอาคุณที่ใสแว่นตาครับครับก็ช่วงนี้ ส่วนที่จะดูได้ก็ตอนช่วงชเช้าแล้วก็ช่วงขับรถเป็นส่วนใหญ่เวลาทางานก็จะมักจะหายไปเลยใ<ห>นเวลาทํางานต้องหายนะไม่งั้นทำงานไม่ได้ครับต้องคิดเรื่องงานแล้วก็กลับมาตอนเย็นถึงจะได้ดูสัช่วงเอแต่ว่าแบ่งชีวิตเราให้เป็นช่องเลก็กปบะนั้นไม่ใช่แบ่งชีวิตแค่เช้าสายบ่ายเย็นครับในเวลาทํางานก็มีเวลายกแก้วกาแฟขึ้นดื่มเวลาหันไปรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยซอยชีวิตให้เล็กๆตรงไหนมีสติได้ก็มีไปเลยครับ ไน่ต้องรอว่าทำงานเสร็จเดี๋ยวต้องพักสัหน่อยหนึ่งก่อนนะหลายคนชอบคิดอย่างนั้นว่าทำงานตอนนี้เพิ่งงานเสร็จเดี๋ยวขอนั่งเล่นสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วจะมาภาวนาวัา <c oughs> เล่นเผลอไปห้าทุ่มแล้วเหนะื่อยไม่ได้ภาวนาเนี่ยซอยชีวิตให้เล็กๆเ้วใช้ชีวิตช่วงเล็กๆแต่ละช่วงให้มีค่าต้นะอส่งไปข้างหลังหน่อยหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละเสื้อเขียวอะ ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะก็ยังไม่อย่างที่ทําอยู่อดีแล้วดูไปเรื่อยๆดีแล้วค่ะอะส่งต่อหลวงพ่อต้องเร็วนิดหนึงแล้ว<อ>มีโมหะทราบไหมอุดไม่ทราบมัวดูออกไหมไม่เห็นไม่เห็นอแล้วเป็นไงเห็นอะไรอุดเห็นอะไรอืมมันก็เห็น บ้างไม่เห็นมาตอนตอนตอนเมื่อเช้ายัางดีกว่านี้เออเนี่ยตอนเนี้มันมีโมหะตอนนี้มันมองไม่เห็นมันซึมครับเยนะโมหะนี่นเป็นกิเลสที่ทําให้เราไม่เห็นสภาวะครับพอ เ, เกิดโมหะก็ไม่สามารถเห็นสภาวะต้องให้รู้ว่าตอนนี้ไม่เห็นครับเมื่อเช้ายังเห็นเกิดดับเกิดดับได้ตอนนี้ไม่ตอนนีนอ้อาหารเป็นพิษ <laughs> ตอนนี้รู้สึกไหมสว่างกว่าเมื่อกี้นึกออกหรือยังค่อยตื่นขึ้นมาแล้วนะพอหลวงพ่อบอกสาเหตุของโรค ก, ก็เลยหายเลยเอ้าวตื่นแล้วส่งต่อคือตอนนี้จิตก็ทางานตามปกติเขาครับคือเผื่อตัวเขาก็รู้ตัวเขาเองเออแต่มีอยู่อย่างครับหลวงพ่อบางครั้งเนี่ยพอรู้พอจิตมันคิดมีโ ม, มหะบางอย่างเรารู้ทันแต่ช่วงที่จิตมันจะจะตัด มันมีกิเลสอีกตัวขึ้นมาบอกเดี๋ยวจะต้องมีความสุขจากการตัดตรงนี้เจ็ีอีตัวหนึ่งจะมาเห็นว่าว่ามันมีกิเลสอยากเกิดความสุขจากการหลังที่เราตามตามทันเนี่ยถึงคะมีความสุขจริงๆครับตรงนั้นเออดีสิต้องมีความสุขนะครับดีภาวนาดีละใช้ได้อส่งต่อไปอาดาวมีโมหะค่ะตัดทุยฮะเอาแค่นั้นเลยเหรอ <laughs> ง่ายดีเนาะ <laughs>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 คราวนี้พอเรารู้สภาวะด้วยความเป็นกลางนะสภาวะก็จะแสดงไตรลักษณ์ได้ชัดเจนัง<ะ>นั้นจิตที่เป็นกลางในการรู้อารมณ์นี้เป็นตัวสำคัญทันถึงสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตเราไม่เป็นกลางไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดกายเป็นจ้องๆเมื่อไหร่มันจะไปสักทีค<ะ>่ะคุณแต้มเ ม, ม, มื่อไหร่รจะมาอยู่วัดหายไปนานเลยเดินนะ้คะ ดีแล้วคุณแตมดีแล้วช่วงนี้หัวข้อคะอมสมมาสมาธิเนี่ยเกิดกับสมาธิช่วงสั้นๆที่เราคณิกะสมาธิก็ได้ใช่ใช่คณิกาสมาธิก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าอย่างอัปปนาเราก็เป็นสมมาสมาธิได้เือเวลาที่จิตรวมนะรู้เนื้อรู้ตัวนะรวมลงไปตัดการรับรู้ข้างนอกรวมลงไปเหลือข้างในอันเดียวสงบตั้งมั่นอยู่ไม่ลืมไม่หล ง, ไ ม, ลงไม่เคลิ้ม หลายคนชอบไปนั่งสมาธิแล้วเคลิ้มวูบไปแล้วบอกว่ามีสมาธินั้นไม่ใช่ไอ้นั้นมันโมหะฉะนั้น ส, สมาธิก็มีตั้งแต่คณิกะอุปจาระปนาแต่ทั้งหมดประกอบด้วยสติเดี๋ยวนีิยมภาวนากันเก่งๆนะภาวนากันดีหลวงพ่อครับ อ, อตอนนี้มันรู้สึกว่ามีความความทุกข์มันจะเหมือนเหมือนห่างจากตัวไปมากๆครับ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 อย่าจงใจตั้งถ้าจงใจตั้งใจจะแข็งทื่อๆนิดนึงอันนั้นผิดนะครับตอนนี้ใจมันตั้งเกินจิงนิดนึงดูออกไหมดูออกครับเออดีใช้ได้หลวงพ่อครับแล้วที่ปฏิบัติมาเป็นไงครับใช้ได้ล้วดีและวันนี้เอเมื่อเช้าง่วงแต่ตอนนี้รู้สึกเบิกบานขึ้นมาได้อืดหรเรียนธรรมะมีความสุขนะเรียนธรรมะแล้วเบิกบาน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 ค่ะแล้วก็ใจก็เหมือนกันคือใจที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันมีนมอะไรแปลกปลอมมีของแปลกปลอมจิตนั้นโดยตัวมันเองประพัดสอนผ่องใสเร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่จอนมาเป็นคราวๆจะเห็นดีภาวนาดีอีกหน่อยไม่ต้องพูดมากแล้วอ้อดีดี ด, ดีจบหมดห้อง <c oughs> <c oughs> สบายนี่หลวงพ่อยอมยากลำบากนะกะว่ า, าสอนแล้วพอดีดีแล้วแต่ไปหลวงพ่อสบายปรากฏว่าไม่เป็นอย่างที่คิด พอตัวเองดีก็เที่ยวไปชวนเพื่อนมาอีกมาเพิ่มความลำบากให้หลวงพ่อ nói. เรียกว่าใช้ดีแล้วบอกต่อครับมาส ก, การหลวงพ่อครับช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่จะเห็นจะรู้สึกถึงความโลภที่เข้ามาที่พุ่งขึ้นมาตลอดนะฮะแล้วก็จะเห็นถึงความกลัวแล้วก็รู้สึก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 ภาวะที่มันจะรับรู้ได้แค่นั้นใช่ไใช่ไม่ต้องคนกวามากนะครับผมรู้เท่าที่รู้ได้อย่างเมื่อกี้เห็นใช่ไหมความอยากพูดมันดันขึ้นมามันพุ่งขึ้นมาที่ผ่านมาก็ปฏิบัติได้ถูกต้องใช่ได้ดีแล้วเข้าล่องเข้าลอยแล้วครับผดีแล้วดีใจด้วยขอบคุณครับแต่ต้องขยันนะอย่าขี้เกียจนะครับผมยังนุ่มๆอยู่บางทีมันดูจิตบ้างดูสาวบ้างครับผมหลงพ่อสอนให้รู้รูปรู้นามนะเถียงน่ะรู้นะ รูปก็คือคนนี้สวยสวยนามก็คือรู้ว่าเขาชื่ออะไรแบบรู้รูป ร, รู้นามขอบคุณหลวงพ่อครับเราฟังแล้วมันรู้รูปนามจริงๆครับก็เพิ่งเร่มปฏิบัติคราไม่ทราบว่าแบบรู้ตัวถูกหรื อ, อยังครับผมเออดีแล้วหัดไปเรื่อยๆที่ผ่านมาก็ปฏิบัติดีแล้วใช่ห ไ, ไหมล่ะเห็นกิเลสบ้างไหมครับกิเลสเกิดบ่อยไหมวันๆหนึ่งแม่ว่าจะหลงไปคิดนะครับผม เออรู้จักหลงคิดก็ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าอย่าหลงคิดนานนะจิตลงไปคิดแล้วก็รู้ไวๆเพราะฉะนั้นะเราต้องหัดฝึกซ้อมที่จะรู้ทันความหลงคิดนะเราหัดท่องพุโทโธก็ได้พุโทโธพุธโทโธท่องเล่นๆนะไม่ท่องให้เครียดนะพุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแวะไปแล้วรู้ว่าใจหนีไปก็มาท่องพุโทโธอีกพุโทโธพุธโทโธใจหนีไปอีกก็รู้อีกนะรู้เฉยๆนะอย่าไปดึงคืนมา ถ้าดึงคืนมาจะแน่นๆนเะนี่ยต้องซ้อมหน่อยหัดใหม่ๆก็ต้องฝึกซ้อมซ้อมดูสภาวะหรือหัดหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกนะหายใจไปแล้วใจเราแน่นๆขึ้นมาก็รู้ใจเราเบาเก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้ซ้อมอย่างนี้ยวันละสิบนาทีก็พ อ, นะอที่ผ่านมารู้ตัวบ้างหรือยังครับผมอย่างอย่างใช่ครั บ, รบ <laughs> เกือบเกนะือบแล้วอย่าถอยนะ เนี่ยเห็นไหมตอนส่งไมค์ไปหไหมลืมตัวเองนั่งไกลไปตตนหลังถ้าใครมาก่อนรีบมานั่งหน้าๆนะโดนหลวงพ่อไล่จี้สองสามีก็ตื่นแล้วอค่ะตอนนี้ก็พยายามปแป๊บหนึ่งนะไอ้หนุ่มที่ใส่แว่นเน่ะใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเอี๋นี่ให้รู้อย่างเนี้ยใจหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้นะไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะ